ฟังธรต่ออีกเพื่อเป็นเครื่องประดับนำปาช่ายกับชีวิตของหนอง่อตกเราเป็นสังฆะเป็นหมู่เป็นสงฆ์นี่ทำไม้ในเป็นศาสดา <c oughs> ปฏิบัติตามทำไว้ไหนก็จะเป็นที่สื้นทุกขท่องกวงได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามทำไว้ไหนก็จะมีปัญหาภิกษุทั้งหลายผู้ทเจ้าได้ตรัสอย่างนี้ทำไว้ไหนเป็นศาสดาของพวกเธอตากันปฏิบัติตามทำไว้ไหนนั้น ในสมัยทั้งประถมะโพธิการการออกบทของกุะบทคุณลเทิดาว่าพระ เ, เจ้าเพียงเก่าเอหิปิกุอุสัมบัตาชั้นชั้นนะท่านจงเป็นพรกษูตมาเถิดทำให้ไหนเราตัดไว้ดีแล้ว ถ้าจงเป็นผู้พึ่จตามทำไว้ในนั้นเถิดถ้ากล่าวอย่างนี้ตัดจางนี้ก็แสดงว่าผู้มาบวชเป็นพระอรหารแล้วเช่นโคนธัญญาวะปะพัิยะมหานามะลองทำปฏิบัติธรรมเป็นโยคีนาคาลิกเมื่อฟังธรรมปฏิบัติจมธรรมแล้ว มารู้ธรรมแล้วา็เราตัดอย่างนี้จงปฏิบัติตามทำไว้ไหนนั่นเถิดสบายบ้างทำไห้ไหนเหมือนพ่วงแพ่งดอามเกี่ยวขบเช่นใดก็ถูกต้องไปทั้งหมดแต่ถ้าผู้ใดยังไม่เป็นพระอาหารหมาขอบวชก็พระเจ้าจะตัดว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำไม่ไหนเราจัดไว้ดีแล้วท่านจงปฏิบัติธรรมทำไม่ไหนนั้นเถิดจะพ้นจากทุกท้องพวงได้คือทำไม่ไหนจะพ้นจากทุกธรรมก็คืออยู่ในเรานี้อะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นที่เราพี่นายไม่ใช่อยู่ในหนังสือ ชีวิตของเราที่เป็นรูปเป็นนามเป็นพระ ส, สูตรตอนไม่ไหนอยู่ที่นี่เป็นหมวดเป็นหมหมวดสีนงมวดสมาธิหมวดปัญญาหมวดอกุศลเป็นคนทุศีลเป็นมหะโทศโลภะเป็นอกุศลล้วก็มีอยู่ในชีวิตของคนเรานี่ สติเป็นตัวที่เห็นเป็นตัวศึกษาปิดบังไม่ได้เช่นกายของเราใจของเรามันก็อยู่ด้วยการนี้เราเป็นสติรู้<อ>เห็นตามความเท็ความจริงที่มันเกิดกับกายกับใจ ถ้าบันมาลายจะเปลี่ยนเป็นดีแล้วว่าปฏิบัติตามทำใม้ไหนก็ล บ, บพฤติธรรมมีให้เราได้ศึกษาอาเยี่ยงเราด้วยก็อยู่ด้วยกันเป็นหมู่ยิ่งไม่โอกาสปฏิบัติทำไม่ไหนได้อย่างดีเกีย่ยวข้องซึ่งอันละกันวันหนึ่งสัมผัสกับหมู่กับคณะ กับสิ่งของกับบรรยากาศกับผู้คนจึงระล้อลมยิ่งโอกาสได้ปฏิบัติตามธรรมวินัยจปะปำบัใดในจิตใจทั้งสิ้นในตัวองออกตัวถ้ามีโอกาส ก, ก็เอาให้เต็มที่พร้อมแล้วชีวิตของเราพร้อมแล้วมีกายมีใจมีสติ ร้อมที่จะทำความดีร้อมที่จะรักความชั่วได้ง่ายไ ด, ด้สะดวกถ้ามันจะเกิดขึ้นในตัวนอกตัวมีความพ่ออรือเสมอมันก็มีอยู่ในรูปในานามในตัวนี้มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่มมไมช่วตัวตน อย่าหลงในความไเที่ยงอย่าหลงในความเป็นทุกข์อย่าหลงในความไม่ใช่ตัวตนอย่าหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในอารมณ์ในการสัมผัสจะ ม, มีโอกาสปฏิบัติธรรมมากเก็บตกได้เยอะเก็บคะแนนได้เยอะสะสมคะแนนได้มากอ่านไลเป็นดีทั้งนั้น อะไรที่เกิดขึ้นในตัวนอกตัวจิ้งใหญ่มากเจ้าถิ่นคือจิตเดิมแท้คือไม่เป็นอะไรติดผลตนเองได้ฝึกได้ลงสนามถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเห็นตาสำเฉริมเสี่มรอบเสื่มยศหรือเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามนั้นก็สนานมลบ สนามปึกหัดชีวิตของเราให้ลุยลยให้มีขะแนนตินทาเป็นยางไงขะแนนเสียไปไหมถ้าเนินทาเป็นทุ ก, ก็เสียขะแนนไปแล้วถ้าเสนอเป็นสุกก็เสียขะแนนไปแล้วไม่ใช่ยกหมือสร้างจังหวะอย่างเดียวเทปตะพฤตะพืะพอ การยกมือช่างจังหวะเดินยกรมเป็นส่วนตัวยังยังกับจังใช่ไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมาลู่ที่มือมันลู่ทุกอย่างถ้ามหัดที่ลู่ที่มือที่กาเราก็บลู่กับให้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไปเกี่ยวข้องได้หมดอาจะได้บรรลุธรรมตอนที่มันสัมผัสนูน้น ทั้งเขาเจ็บเป็นอย่างไรทั้งเขาจะตายเปนอย่างไรทั้งเขาเป็นทุกข์เป็นอย่างไงมันจะเชื่อได้ต่อมาจะให้ช่ทำเป็นไหนช่วยเราจริงจริงศีลมาช่วยสมาธิมาช่ว ย, วยปัญญามาช่วยควาเมตตก็นา ม, มาช่วยม่ให้เป็นทุกข์ถ้าเราฝึกไม่มีสิ่งใดที่จะ มาวัยเท่ากับสติตสถ้าเราไม่ฝึกสวมหลงจะมาวัยถ้าเราฝึกสติมาวัยวัยเราจึงหัดให้มันช น, นี้ชํานาญเป็นปัญญาชํานาญในการใช้สติเป็นหน้าโลกไปกับการใช้ชีวิต อก่ยวกับส่งตาาง่างๆจะประมาทนิดหน่อยก็จะประมาทความหลงนิดหน่อยจะประมาทความสุขเกิดนิดหน่อยความทุกข์เกิดนิดหน่อยก็จะประมาทให้แยกคลายให้เล้วดทิ้งไม่ได้ยึดต้อปกติ ถ้าเราฝึกเป็นแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นอื่นมันได้ที่ไม่เหมือนกับอย่างอื่นยึดของเราที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ยที่เป็นสติเนี่ยไม่เหมือนอย่างอื่นเมันตา ก, กับความหลองอยู่ต่างกับกับความสุขความทุกข์อยู่ ความรู้จักตัวในวันต่างกันมากกับความสุขความทุกข์ความหลงของโกรธความอะไรต่างๆ น, นั้นเป็นของปลอมๆไม่กิลงยั่งยืงงนภาวะที่รู้ราวะที่ตื่นรู้อยู่เสมอเนี่ยมันเป็นของดั้งเดิมมีไม่มีโอกาสลืมได้ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นมันเป็นชีวิต จริงจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่จะชื่อหาเรื่องนั้นโดยท้องขอไม่ได้ต้องเป็นการกระทำให้เกิดขึ้นกับตัวเองในการฝอกฝนตนเองยิ่งพวกเราเป็นนักปวดมีโอกาสเพื่อการนี้โดยตรง ถ้ามีอันอื่นก็เป็นอัติฤลิกจากซ่อมแซมพัสดุที่ข้ามขา <c oughs> ดก็ดีนั่นคือธรรมะนั่นแหละด้วย <c oughs> จากพัเ <c oughs> สียงหาพัสดุหายไปแล้วให้คืนมาคือปฏิบัติธรรมทำไม่ทอดไม่ทิท้งด้วยจากเสวยงหาสิ่งเที่ยงไม่มีให้มีขึ้น <c oughs> เพื่อเกิดสะโดดในการปฏิบัติธรรม เกกับอะไรหลายอยา่างเสนาสนะสัพพยาที่ว่าสายอาหารสัพพยาเครื่องที่มีการที่เลี้ยงชีวิตพ็มีบ้างบุคคลละสัพพยาในเพื่อนมิตรอย่าเป็นศัตรูกับใครในโลกนไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่เป็นศัตรูกับเขา อะไรเป็นดีธรรมสัพปพปยะในธรรมคุ้มครองชีวิตอยู่ตลอดเวลาไม่จนต่อความดีจะหลงไม่ได้จะทุกข์ไม่ได้จะโกรธไม่ได้ เพราะไม่จนต่อธรรมมีให้ใช้มากมายรักษาอยู่ตลอดเวลาตามย่อมรักษาผู้ฝึก ธ, ธรรมให้ตกไปในที่ชั่วได้ยจงไม่เป็นกน็น้อมใจน้อมใจฝึกด้วยภากสนาม รูหลบเป็นปีกรูเหล็ก เ, กเป็นหางกับสิ่งต่ตางๆก็าจอยอมรับคนในโลกนี้ทุกอย่างไม่ใช่ประมิตรของเราทั้งสิ้นไม่เหมือนอะไรในโลกนี้จะรอยดอกกุหลาบให้เราเดินเหยียบไปไม่มีไม่ขวกไม่หนามต่อุยความทุกข์ความลำบาก จะเป็นเอกต่อทัะในด้านใ่ด้านหนึ่งเหมือนดาราจะเป็นดาราจะให้เอกได้ต้องลุยอะไรที่มันยากเสียนยากจึงเป็นดาราเป็นพระเอกได้เอกตัวนี้คือเป็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลงในโลกนี้เราไม่โกรธใครๆทั้งเส้น ไม่ทลาะว่ากับใครทั้งสิ้นในโลกนี้เด็ดขาดไม่เปลีป่ยนอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้เด็ดขาดไม่เปลีป่ยนตนเองไม่เปลีป่ยนคนอื่นจริงว่าทุกน่นเด็ดขาดขอใช้ชีวิตเป็นมิตรเป็นเพื่นกับทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆอย่างเป็นส่วนประกอบให้เราได้ประลุทำ ไม่ใช่จะเดินจงกมสร้างจังหวะอย่างเดียวมีห ล, หลายอย่างชีวิตล่อมในการใช้ชีวิตเป็นมิตรกับตัวเองได้สร้างชีวิตล้อมให้กับตัวเองตัวเรกก็อย่าเป็นแ่องตัวกลาก็อย่าเป็นกาให้เป็นพระที่เสมอเหมื น, น, นเพชในดิน อยู่ในฐานะแบบใดก็ต้องเป็นเพชรไม่เป็นอื่นให้ทรงศีลทรงธรรมทรงปิณ น, นอย่าไปคนรู้อำนาจของปวมชั่วมีโอกาสเยอะพวกเรา โอกาสที่หาได้อย่างนี้มีน้อยอะไรที่พอวางวางลงซะอย่ามันข้างคาจิตใจตอะไที่มันทำก็ทำให้ดีขึ้นซะนอย่ามันจุงเยองสบสนในชวิตจิตใจของเรามันเจอ่อได้ง่ายก็ต้องอาใัเครื่องมือล อ, อย ะซ่อมประตูหน้าต่างยังม่เครื่องมือจับมีดมีดกระ บ, บาดมือข้อตีปูเตาค้อตีปูก็ตีมือตัวเองต้องมีมีดมีตาปูอะไรหลายอย่างก็ซ่อมได้ชีวิตของเรามันไม่ยากขนาดนั้นเมื่อนุ่มีกิเลสพันห้าตันหาน้อยแปด มันเป็นทางผ่านที่มันเป็นศิลปะมันงามตรงนั้นความสุขปพมักมีความสะาตรงนั้นจึงได้ที่ชั่วมันเป็นการพัฒนาเที่นั่นจึงใดที่ชุดโสมมันเป็นการพัฒนาเที่นั้น เรองหลงต้องพัฒนาให้ไม่หลงเรองทุกข์ต้องพัฒนาให้ไม่ทุกข์กิเลสตัณหาต้องพัฒนาให้เป็นบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเราซักเสือ้อผ้าแล้วก็ใส่ความสะอาดจิตมันโลง่งจิตใจพัฒนาจนิงๆคือมัน กตัญกำลัชั่วที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยจะให้มันมีในชีวิตของเราได้ในสติสักพกไม่ด่วนลบไม่ด่วนประเสริฐมันก็ผูกเขี่ยวอะไรที่มีการเกิดขึ้นกับ ไก่ตัวในตัวไม่ด่วนรับไม่ด่วนปฏิเสธมีสติยับยั้งชังกิตไม่ผลพันผลแลดได้โอกาสจะเก่งตนนั้นจะเก่งตนนั้นไม่ดวนรับไม่ด่วนปฏิเสธ จ, จ, จ, จ, จะเก่งตนนั้นความเก่งความชำนิชำนาญ ธรรมะจะเกิดที่ตรงนั่นด้วยสิ่งที่เราใช่สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาคือสติเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วมีสติประกาอยู่เป็นประจำมีสติไปในความคิดอยู่เป็นประจำมี ผิดอยู่ที่ความคิดมีสุขทุกข์เกิดจากความคิดอย่าให้มันสึกสันสุขที่เกิดจากความคิดมีสติปรรกาที่มันผิดศีลผิดธรรมหัดตนสอนตนเตรียมพร้อมคือวิชากรรมัานงมันจะว่างหา้าซั ขยันหมาใจเศรษฐีเศษีในทางซับภายนอกเศษีในทางซัภายในเรีว่าอริยทัพย์อุอากาสส์สี่ตัวอุฐานสัมปัฏธาทั้งพ่มวมทุ่มภาคเพียรขยัน ให้เกี่ยวกับน่งการงานทั้งปวงอักฮาสมบัารู้จักรักษาความดีความบริสุทธิ์วัตถุเจงของอะไรที่ควรรักษารู้จักชย้ยพื่อสมศีชีวิตต่อ ถึงไดไม่ควรใช้ก็อย่าไปใช้สลุ่ยชุนร้อยชิ่นเปลืองบางทีเราใช้กายชิ้นเปลืองมากเกินไปสุบูรีกินเหล้าเที่ยวเตะเ ล, ล่อนใช้ใจมากเกินไปหมกมุ่นคุนคิดที่เกินมาก็กัดตอดตัวเองคิดแบบกัดตอดตัวทีเวเ่เจ็บปวด นี่ว่ารู้จักใช้กายใช้ใจรู้จักใช้วัตถุสิ่งของแต่ระเบียบเรียบร้อย <c oughs> มีก า, ามิตรที่ดี <c oughs> อย่าเป็นคนทุจริน <c oughs> ไม่กินแหงแขงใจตัวเอง <c oughs> ไม่ใช่เป็นคนเล้าในเปียกแขะปกปิดซ่อนเล่น ไม่มีเป็นเพื่อนมิตรก็เปนเพื่อนโดยที่มีนื้อใจเป็นการละยมิตรชาติในทางชาติไม่วันที่จะทะเลาะวิวาสกันกับใครเลยนี่หรือว่ากัรลยามิตรตัตตาจะเป็นมิตรที่ดีตลอดชาติตลอดภพเป็นไปได้ไม่ใช่ว่า ก็ไม่คุ้มดีถ้ามีหัวใจอุกาาากาศอย่างนี้ทําอะไรได้สําเร็จความเพียรก็คือจิา น, นี้อุทานสัมปทามีความภาคเพียงขยันหมั่นเพียรละความชั่วทําความดีความชั่วมีที่น้อยเพียรละความดีมีที่ได้เพียรกระทานี่ให้เราทําอยู่ เกิดที่กาที่ใจเรานี่เกิดที่นอกจากกายจากใจเรานี้ที่เป็นความดีความชั่วเป็นการงานของปาประพฤติปรมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นเชิงเวลาเราไม่สติอยู่ในกรรมฐานได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่มันเป็นงานชอบที่สุดภูมิ อ, อกภูมิใจ ไม่เห็นความทุกข์เกิดจากความคิดไม่เปลี่ยนความทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดเป็นความรู้มันรู้สึกภาคภูมิใจมันดีตัวขึ้นมันเบาขึ้นมันหลุดพ้นมากขึ้นพ้นภาวะเก่ามากขึ้นในความคิด ในการกระทําในตาในหูจมูกเล่นกายใจจะมาเกิดไม่ดีไม่ชอบขึ้นมาได้เปลี่ยนตอนที่ไม่เจตานาเมื่อเกิดขึ้นเองได้เปลี่ยนมันได้บทเรียนเก็บตกบทเรียนจากเสียงแวดล้อมในตัวนอกตัวมิเธอปฏิบัติมิแต่การศึกษา วันหนึ่งวันหนึ่งจะเจริญเติโ ต, ตขึ้นไม่น้อยทีเดียวถ้าเรามีสติตั้งใจดูแลศึกษาสิ่งรอมในตัวเรานอกตัวเรามีสติปัญกาเหมือนหัวเปลือกหอมันเหมือนปลูกมันปลูกต้นก้าต้นข้าวลงในสู่ดินต้นก้าปลูกลงไปในดินฝังไปในดินมีความชุ่มชื้น มันจะเจรินุ่วงเอนไปเองผู้ที่ปลูกไม่ต้องไปทำอะไรอีกว่าแต่ทำให้หน้าที่ที่การกระทำให้มันดีนักศึกษาให้มันดีแล้วก็เจอกระดอกออกขนไปเองเราปฏิบัติทำก็เช่นกันเราทำได้อยู่แล้วนี่สติปเป็นในกายอยู่นี่ เหมือนหัวมันเขาเหมือนต้นมันที่ปลูกในดินก็จเจริญเติบโตโอ ว, ว, วันโตคืนขึ้นเองไม่หีไปไหนเรือเลยลัวร่วมในหนองทงไม่ไปไหนทำให้ความดีกับกายมีความดีกับจิตใจของเราอยู่นี่เรีวกว่าเนื้อหนาบุญ การจัดแวงหาบุญในศาสนาไม่ใช่จัดงหาบุญนอกสาสนาดูา <c oughs> เรื่องไหม <c oughs> <c oughs> เสียง อ, อีกไม่นานคงจะไม่มีโอกาสได้ฟังกันอีกแล้วมันหมดไปเรื่อยๆเสียง <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปกู้ <c oughs> ไปกู้วัดปูขอทองยังไม่เสร็จ ยังนกเิราบหมูโอท่านทำไม่แต่ขี้นกเิราบแล้วก็พระอบรมนักเรียนให้นักเรียนไปนอนที่นั่นกองพวกผมกองเสือกับพี่นกเิราบอยู่ด้วยกันก็เราอายมากถ้าทำได้เนี่วยว โอ้ยจอยๆขีตาน่อยก็บอแค่พอทาบะจอยๆที่อยู่อาศัยมีแต่สกปกเราอาศัยอยู่ก่อนที่ใครไปอยู่ต้องดูให้ดีๆก่อนนักเตียนไปอยู่กันร้อยคนเนาะให้เขาอนอนยังไงรนะไม่ดูเลยเนะี่มันเสียเสียงเพราะขี้นกพิราบ ว, วันนี้ก็ว่าจะไปไปซื้อ ไปเชือไปเือตาข่ายให้มันได้มาถึงมันมีลูกกองตีห่างๆนกวิราบเขาตั้งนั่นประตูหน้าต่างก็มีอยู่ชื่อตาข่ายมันปิดปิดบันได้ช่ป่ะจะเอาไม้เสียดหน้าสามไปตีสักสี่ห้าตัวนี่มันนมันชื่นใจนะได้ขวดชี้นกวิราบก็ จ <laughs> ได้ทำความไม่ดีให้มันตีขึ้นมานะชื่นใจมีชีวิตชีว่ามีค่าจักหน่อยหลงต่อเกดเกลียดเนก็มีค่าเลยแต่เราทำดีทช่ไมหมดีให้มันดีขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยโอ้ชีวิตชีว่ า, าวเเมเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกขนะ์เน่ยเปลี่ยนคโคมโขดเป็นไม่โขดเนะี่ยเมตตากรุณาเกิดขึ้นเแทนที มุตาเป็นศาตร์เป็นศินความงามอยู่ที่นั่นความงามที่ไหนล่ะโสดจะโสดจะความ เ, ง, เงีย่ยยเกียมตัวไม่รู้อำนาจขอมโกตความโลกความหลงละมัดละวังแม้มันมีก็ไม่ด่วนรับจ้างได้ไม่แสดงโอก โซลจากความเสียงเงยสงเงียมจากเสียมท้งจิตใจงามคนเดียวเมื่อจะ่งามไปวดไ่างก็า ง, งามคนเดียวคือผมวจัน์บริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิงชีวิตมีเท่าไหร่ก็มีประโยชน์อยู่ที่ไหนก็ไม่กระทบกระเทือนกับเวลากับค ตออยู่แบบเป็นมิกระทุกอย่างไม่มีมิตรก่อข้อเป็นมิกระตัวเองอุนโตขุนใจไมีกาไม่ใจทำความดีมีใจคิดดีนั่งจะเด็กก็คิดแผลเมตตาไปอยังสภาวะสิ่งไม่ได้คิดอิจฉาบเปลี่ยนใครแล้วก็ ชีวิตคีบว่าชีวิตไม่กระทบกระทือนชีวิตไม่เหี่วแหกตั้งได้แล้วชีวิตตั้งแล้วไปรอดได้เหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกไปรอดได้แล้วเตัวรอดได้แล้วป่อยหวางใจวางใจกับการใช้ชีวิตงั่งใจรอดไปส ในโลกนี่ไม่มีอะไรทุกนี่ยไมมีอิจฉาเป็นบาปใครเลยในโลกนี่ว่างใจคิดวางลงกับทุกอย่างไม่ใช่วางทุกขทิ้งกั น, กนวางใจมันช่วยกันจับแขนไปด้วยกันแต่วางใจแต่วางแล้วมันเฉยๆเนีน่ว่าวางใจมันงานเยอะนะ ถ้าคนไม่หวังใจไ ม, ไ, มไม่มีงานเห็นเจอตัวเจอตัวเจือตัวทำอะไรไม่เป็นช่วยคนอื่นก็ม่เนคนที่หวังใจมันช่วยคนอื่นช่วย ส, วสิ่งอื่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเกิดจากคิตอย่างนี้มากมายอย่างไปดูล่องลอยพระละหันสมัยก่อนดูชี้ประเทศอินเดีย ห ล, หลังพุทธการลร้วนแต่เป็นสาวกโเจ้าสร้างทั้งอาชันต้าสร้างวรมุขโธไม่มีเครื่องยนต์คนไก่กติสารกีงามงามกติสากีนี่คือก็เป็นหินเสาก็เป็นหินคอเสาก็เป็นหิน ระ ว, วังคือระวังข้อเสาเข้ากันเนี่ยทำไมเข้ากันดีเหมือนไม่ดีกว่าไม่อี ก, อาากเป็นเห็นเห็นอ่อนอยังตั้งอยู่เลยเสาสลาสารกีเมืองลักเนาหรือโปปาดไปดูที่นั่นโอ้สวยงามมาก เนินเหมือนกับเดินขึ้นเ น, น, เนินบนเขาเดินไปด้วยตนมะ่วงย่อยๆเสาสลาเห็นโอ้นทำไมนั้นไปเปี่ยนเครื่องโยดกลไกทํามจึงช่วยกันได้ศรัทธ า, จาเ จ, จ้าภูเขาธรรมะชนตาเห็นไหมเ้าไปไหมชนตาภูเขาเป็นตัวอยู่ ตัวยูเนี่ยมีน้ำตกที่นี่ระหว่างตัวเน็ตพวกเขาเนี่ยมีถ้าเก้าถ้าถ้ำเป็นสลาหลังหนึ่งเท่าเนี่ยสามชั้นมากจเจาะหินทั้งนั้นไม่ได้เพปูลเจาะเป็นหินจเจาะหินเป็นห้องนอนห้องนอนเจาะเจาะเป็นหมอนเจาะเป็นที่วางผ้าสังขาติ ของห่อทองก็เขียนลายเขียนสีเขียนสีภาพสูตรตัจาร้ใส่ภ้าพนังเย็นก็ตางขายขึงไว้ไม่ให้คนไปจับรักษาสียังไม่เสื่อมศรัทธาศรัทธามีศรัทธามันแก่ก้ามันทำาไมก็ได้ความยากก็เป็นของง่ายไปเลย ถ้ามาจันตาหรือบรมพุโทโธที่อินโดนีเซียเนี่ยแต่โดยที่ไม่ไกลจากบ้านเรา <c oughs> แต่หมายลูกศิษย์ทูเจ้าหลังๆมาเนี่ยนี่ยเองามีการสงสารตัวเองก็สงสารคนอื่นช่วยเหลือตัวเองก็รู้จักช่วยเหลือคนอื่นเมื่อ นะมันได้รับจดหมายของพระศีรษะแล้ววาา่าเขาสงสารคนไม่มีอะไรสงสารไม่ถินไม่ตินไม่ใส่เอา้ามันพูดแบบเดียวกันเลยนะขอมาอยู่ที่นี่สงสารไม่แต่สงสารไม่ติ น, นไม่ถินไม่ใส่สงสารทุกอย่งางนี่ก็ดีนะอย่าเปลี่ยนแปลงกันพวกเราเมตตากรุณาช่วยเหลือเพื่อเผือผ่อแพ่ เอกไม่กี่ชั่วโมองแต่ไมู่่ด้วยกันหรอกขณะที่เราดีด้วยกันนี้อะไรที่เป็นความดีพากันแสดงออกช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปมีรอยรอยหัวใจไม่ใช่เราอยู่จะมาส า, าเท่านี้อยู่ตลอดชีวิตต้องลอยของเพื่อนอยู่ที่นี่มีมากมาย ลอยความดีมางทีก็มีรอยความชั่วนะยังมีสมัยนานมาแล้วหนพระรักแดงมาอยู่นี่ตีข้องมันก็ดา่าตีไปยังได้ก็รกักดีเถอตีสงสมบัติ ก, ก็ยินตัว <c oughs> นอนด้วยกันไม่มีสละที่ธรรมะก็อยู่ในกติดิอันนี้สละนะนอนก็ร้องได้กัน ตีข้องธรรมะได้ตีเพียงก็ดอกก็ได้ตีทเทียวสองเทมก็ถูกจักตัวแล้วกินมาเปิดตู้อาหารไม่มีอาหารกินแต่ผักตู้ตกลงสระไก่พังอยู่ลเลยหลวงพ่อต้องไปมาซ่อมร <c oughs> อยความชั่วอหัวล้นล้นหลมพ่อเหลืองมาลนะมอยมีเหมืงกันน ะ, อะลอยความดีก็มีนะม่ใช่์เาอยู่ด้วยการเพียง อันสามเดือนสี่เดือนปีหนึ่งเท่านี้มันอยู่ตลอดชีวิตแล้วก็มีชีวิตอยู่ตลอดเวลาเอานับถอยหลังไปอีกสี่สิปีหรือทำอะไรบ้างเอานับถอยหลังไปนับบาบ้างมันมีอะไรที่เศ้าหมองขิดใจตัวเองเลยแต่นอนตายกับอาจารย์ตุ้มบากเนี่เราไม่ได้ทำบาปทากรรมเลยความตายมันงามนะไม่ต้องกระเทือนกับอะไรนะ มันกินนอนแบบมาหม้อถามว่าเจี๊ยสุโปลยไหมไม่สุกกินเล้าไหมไม่กินแล้วก็กินของดิบไหมไม่กินมีญาติพี่น้องเป็นโลคอย่นี้ไหมไม่มีอดคําถามไม่มีไม่มีแล้วก็ดูเองเรามีกรรมอะไรล้วทํากรรมอะไรจึงหายเจไม่ได้อย่างนี้อ่ะฮะ ไม่มีอะไรเลยวาม่เอา้าสบาจ้านี่ความสุขนะที่สุดแต่มันมีความสุขมากนั่นเป็นความสุขที่ไม่อิงอมิตรอะไรเลยสุขมองวง <c oughs> มีอะไรชีวิตเราเนี่ยครับมันมีอะไรที่เกิดจากนี้ได้นอกจากปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเปลี่ยนหลงเป็นรูเอากังบะวิชากรรมฐานช่วยเข้าไป แล้วก็ไปมัอบขึ้นมาอยู่ในท่านี้ก้าม้อนจะหลงอึ้บขึ้นมาเหมือนบางมานวิชัยพระเจ้าทีแรกอาจจะนั่งนี่ควาไม่ไรก็มานไหลนี่ลู่สึกตัวขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นว่าแล้วก็มาเลยตื่นรู้ขึ้นมตื่นรู้ขึ้นมา ยิ่งเราไม่เจตนาทุกวันนี่พัฒนาจะมาถึงวิหนาทีละรู้นี่จะเอาอย่างไงรวิหนาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งเน่ยวันพร้อมที่สุดเลยเนี่ยมาใส่ไข่ใส่ลูกหลานหรือไม่ใช่เลยเก็บคนเดียวแก่คนเดียวตายคนเดียวผิดคนเดียวเรื่องของ จ, จิตใจคนอื่นทําให้เราผิดเราไม่ผิดไม่เป็นไรเา้าเน่ยเราจะทําคนเดียวแล้วมันทําได้นีย กรรมฐ า, านเป็นอย่างไนี้เชื่อมั่นในวิชากรรมฐ า, านเชื่อมั่นในทําไว้ไหนเหมือนพ่วงแพร่ขี่ข้ามภาคจะนั่งให้ดีจะปฏิบัติต่อการนั่งพ่วงแพร่ให้ดีเรารู้เองทําไม่ไหนนะดีไหมสนุกนะแล้วก็สนุกคนเดียวนะ ก็จะง่วงนอนก็ช่างง่วงนอนง่วนอ น, น, อ, น อ, อ่ะพอพร้อมกัน